เมือนะ่อไหรเนาะจะได้คิดถึงพระพุทธเจ้าเท่ากับคิดถึงตัวเองเนี่ยนะคิดถึงตัวเองเมื่อไร่ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้เมื่อนั้นแล้วก็ศรัทธาก็มั่นคงนะนั่นก็คําว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะและลือกอรหันตะคุณเนี่ยนะเขบอกว่าทัวในครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะฝากศรัทธาที่ไหนเนี่ยนะที่มั่นคงแนะ่นอนที่สุดซับคือศรัทธายิ่งไม่ค่อจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะ ฝากไว้กับพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะยิ่งคนที่แบบอะไรนะค่อนข้างกลับกรอกบ่อยๆเนี่ยนะบอกว่าศรัทธ า, านในพระพุทธเจ้าดีที่สุดเพราะว่าอีก20ปีเรามาศรัทธาก็ไม่สายเนี่ยนะก็แล้ว่าฝากไว้กับพระพุทธเจ้าเธอเนี่ยนะไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปนะถ้าฝากศรัทธาของเราไปไว้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะเขามาได้ยินว่าร้องไ i mean. ห้กันมาไม่ใช่น้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าไปฝากศรัทธานในสิ่งที่ไม่สมควรแก่การศรัทธาหรือไม่คู่ควรแก่ ศรัทธาศรัทธาแล้ไม่เสียใจในตอนท้ายก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสวดอรหุทังสรารนางังฆาฉามิปรับความรู้ปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจให้เข้าใจอย่างครบถ้วนให้สมบูรณ์และบริบูรณ์และอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะไม่มีความลับในการกระทําบาปเลยก็แปลว่าไม่เคยแอบทําบาปณที่ใดๆแอบไปทําชั่วณนะ ตำแหน่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะแรกตรัสรู้จวบปรินิพานตลอดระยะเวลา45หปีไม่เคยแอบทําชั่วเลยเพราะอะไรเพราะบาปประธรรมเหล่านั้นพระองค์กับขจัดเสร็จสิ้นแล้วคือคนคนอัธพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยนะมีชื่อเสียงที่สุดเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่เคารพสการะปูชานับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเทียบกับคนมีชื่อเสียงทั่วๆไปคนเด่นคนดังอะไรทั่วไปแอบไปทําชั่วนะ นะอย่างสมมุติอย่างผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาเนี่ยนะก็แอบไปทำชั่วตามตามตามเขาแอบไปเช่าบางแห่งแล้วก็ชวนคนไปทำชั่วเป็นต้นคือบางคนเนี่ยยังมีแอบไปทำชั่วณนะบางที่บางหนบางแห่งแล้วก็ปกปิดแล้วก็ช่วยไปบอกคนอื่นเนี่ยนะปกปิดให้หน่อยนะอย่าให้คนอื่นเขารู้นะช่วยๆกันปิดหน่อยนะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีความลับในการกระทาบาป และพระพุทธเจ้าไม่มีคําใดที่พูดพลั้งไปแล้วให้ลูกศิษย์ทั้งหลายช่วยช่วยกันหน่อยน ะ, ะสารีบทช่วยช่วยกันปิดหน่อยนะอะไรเงี้ยนะแอบกระซิบกะระซาบกันเพื่อจะปกปิดถ้อยคําที่เป็นความชั่วไม่มีเลยหรือบางคนเนี่ยนะแบบอะไรนะไป ร, รับบทเป็นพระเอกตลอดยืนตลอดแล้วไม่เคยแบบไม่เคยทําโกรธอะไรให้เห็นแต่ใจนี่โกรธแค่จะช็อกตายอยู่แล้วเป็นต้นพระองค์ไม่มีซ่อนความคิดที่ไม่ดีเอาไว้ในใจว่างั้น ซ่อนเรียกว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มไม่มีแน่นอนดังั้นนะแล้วก็เพราะอะไรเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะที่อยู่ในภายในที่ทําให้พระองค์คิดเป็นบาปคิดเป็นอกุศลเป็นความชั่วช้าเลวร้ายเนี่ยนะนั่นจึงไม่มีการปกปิดเนี่ยนะไม่มีการทําบาปไม่มีการซ่อนบาปอะไรไม่มีความบาปอา่าเรียกว่าบาปด้วยกายด้วยวาจาเละด้วยใจด้วยราคะด้วยโทสะและโมหะเพราะพระองค์นั้น ขจัดสิ่งเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วและต่อไปบอกว่าพระองค์เป็นผู้ไกลอรหันเนี่ยต่อไปตามนัยะดีกาเนี่ยยกมาจากพระพุทธพจน์ในคุตตะนิกายอิติวุตตะที่บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนไกลอรหันเนี่ยแปลว่าไกลใกลจากใครไกลจากคนชั่วทั้งหลายไกลจากคนที่ไม่ได้เคยฝึก คนไกลาจากคนไม่มีศีลพระพุทธเจ้าคือไกลาจากคนทุศีลไกลาจากคนที่จิตฟุ้งซ่านไกลาจากคนที่ไม่มีปัญญาหรือคนที่ไม่ได้เจริญคุณธรรมในศาสนาของพระองค์พระองค์อยู่ห่างไกลาจากบุคคลเหล่านั้นอย่างคนที่มีราคาพระพุทธเจ้าก็อยู่ไกลต่อคนที่มีราคาพระองค์อยู่ไกลต่อบุคคลที่มีโทสะและมีโมหะเนี่ยนะถึงร่างกายจะอยู่ใกล้ แต่จิตใจของพระองค์นั้นอยู่ไกลเปรียบเหมือนว่าท้องฟ้ากับแผ่นดินยังว่าอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ฟ้ากับดินจริงๆมันอยู่ชิดกันนะที่สุดของดินก็คือฟ้าที่สุดของฟ้าก็คือดินแต่เขาบอกว่าฟ้ากับดินทําไมมันไกลกันเถึงจะชิดกันอย่างนั้นมันก็ไม่ติดกันฉัน้นใดพระพุทธเจ้าก็อยู่ไกลจากคนชั่วทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะอันพระองค์อังไกลาจากคนที่มีราคะโทสะและโมหะ ห่างไกลาจากคนที่ไม่มีสังวรวิไนไม่มีปหานวินอันนะพรองค์อยู่ไกลาจากคนที่ไม่มีศีลสังวรอนนะไม่มี อ, อินทรีย์สังวรไม่มีสติสังวรญาณสังวรขันติวิริยะสังวรหรือคนที่ไม่ได้เห็นอริยธรรมพระองค์ก็อยู่ไกลบุคคลเหล่านั้น คนที่ไม่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมักคนที่ไม่เห็นอริยสัจหรือไม่เห็นอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาเนี่ยโร่งอยู่ห่างไกลจากบุคคลเหล่านั้นหรือคนที่อยู่ในมิจฉาปฏิปทาพระพุทธเจ้าอยู่ไกลจากคนที่เป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและก็มิจฉาสมาธิพระพุทธเจ้าอยู่ไกลจากผู้ที่ปฏิบัติผิดเนี่ยนะ หรือผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิปทาพระองค์ก็อยู่ไกลจากบุคคลเหล่านั้นถึงคนเหล่านั้นจะนั่งชิดๆใกล้หัวเข่าพระพุทธเจ้าจับชายสังคาติพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชื่อว่าอยู่ไกลจากคนเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าพานกับบัณฑิตถึงอยู่ใกล้กันพานก็คือพานบัณฑิตก็คือบัณฑิตเอาคนตาบอดกับคนตาดีอยู่ใกล้กันเนี่ยมันใกล้กันจริงไหม ก็ไม่ใกล้กันฉันใดเนีคนป่วยกับคนไม่ป่วยถึงจะอยู่ใกล้กันมันก็ไกลกันฉันใดเพราะสุขภาพโดยรวมก็ชื่อว่าไกลกันฉันใดพระพุทธเจา้าผู้เป็นพาตหานก็ไกลจากปุตุชนทั้งหลายฉันนั้นแต่ทั้งอย่างนั้นพระองค์ก็อยู่ใกล้ต่อคนดีนะใกล้ต่อคนดีคืออะไรใกล้ต่อผู้ที่อบรมกายอบรมศีลเนี่ยนะเป็นผู้ที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตแล อบรมปัญญาผู้ใดมีศีลสมาธิปัญญาผู้มีศีลก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าผู้มีสมาธิก็อยู่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาก็อยู่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าขณะที่เราเนี่ยนะแม้แต่พวกเราทั้งหลายถ้ากุศลจิตเราเกิดเราก็เชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแสดงว่าเราเข้าเฝ้าเป็นเวลาใช่ไหมแบ่งเวลาเป็นคนระดับนี้แล้วนะถึงไรนะอันนั้นตอนกุศลเกิดก็อยู่ไกลพระพุทธเจ้าตอนกุศลจิตเกิดก็อยู่ใกล้ต่อ รพระพุทธเจ้าก็พยายามจะใกล้ใกล้ตอนนี้เราจะใกล no. ้พระองค์ได้อะไรใกล้ด้วยประพฤติกายสุจเิตใกล้ด้วยการประพฤติวจีโสจเิตใกล้ด้วยการประพฤติมโนโสจริชใกล้ด้วยการคิดที่เป็นกุศลเนี่ยนะใกล้ด้วยการใกล้ชิดต่อกำสอนขณะที่เราใกล้ชิดต่อกำสอนใกล้ต่อการปฏิบัตินั่นแหละเป็นการ ใกล้พระองค์เนี่ยนะคับพยายามทบทวนว่าการศึกษาและการปฏิบัติของเราเนี่ยชื่อว่าใกล้ชิดพระองค์อยู่หรือใกล้ชิดพระองค์อยู่ไหมเนี่ยนะก็พยายามตั้งใจที่จะให้ใกล้พระองค์เท่าที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงพระนลนั้นไม่อยากเข้าเฝ้าทั้งวันโลกน่ยนะแสดงว่าดีจริงพระนลไม่ใช่คนงูเลยนะแต่พระนลก็อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ ดีจริงๆว่างั้นเถอะภาษารีบุตรก็ยังอยากอุปถักต์นะภาษารีบุตรเนี่ยปรารถนาที่จะอุปถักต์พระพุทธเจ้ามากแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะทิศใดที่ภาษารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่อยู่แล้วพระสารีบุตรจึงเคารพพระนนทมากเหตุผลที่เคารพพระนนทเพราะพระนนทเนี่ยอุปถักต์พระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนอย่างว่าลูก <NXT> ท <card> ี่กระตันอยู่ที่สุดเนี่ยนะลูกที่กระตันอยู่ที่สุดแล้วตัวเองไม่มีโอกาสปรนิบัติรับใช้ผู้มีพระคุณเนี่ยนะเวลาตัวเองไปอยู่ที่ไหนไกลก็จะเคารพคนที่ได้อุปถาอันนั้นฉดายภาษารีบทเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากในพุทธเขตนี้เนี่ยนะในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ภาษารีบุตรรอบรู้พระพุทธคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นภาษารีบทเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากที่สุด แต่ภาษาเรีบุตรไม่มีโอกาสที่จะพุทธอุปถากอย่างนั้นมันพภาษารีบยบบทเนี่ยจึงเคารพพระนนทในฐานะพุทธอุปถาภาษารีบยบบทได้ผ้าเนี่ยจะต้องเอาไว้ให้พระนนทมีผ้าจะต้องไว้ให้พระอานนทถ้ามีคนอยากจะบวชเอาพระนนทเป็นอุปชาเนีนะคารพพระนนทมากและพระขณะเดียวกันพระานนทก็คารพภาษารีบุตรมากในฐานะผู้มีปัญญาเนี่ยนะมันพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่มีบุคคล พระองค์ไดอยู่ใกล้ต่อคนดีทั้งหลายอย่างที่พราหมณ์ก็บอกว่าร่างกายเขาห่างก็จริงแต่ใจเขาไม่เคยห่างเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็อยู่ใกล้ต่อผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ใกล้ต่อคนที่บริบูรณ์ด้วยกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายคนที่เห็นอริยธรรมนางที่พระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถาคดเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอริยสัจจะธทำเมื่อใด เห็นทุกข์ด้วยการกําหนดรู้เห็นสมุทัยด้วยการละเห็นนิโรธด้วยการทำให้แจง้งเห็นอริยมรรคด้วยการเจริญเราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะขณะเดียวต่อไปอีกบอกว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระอรหันต์ก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยละบาปประธรรมอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะบาปก็คืออะไรบ้างบาปเนี่ย ท, ทั่วไปเขาแปลว่าลา ม, มกเนี่ยนะอ่อแทนมารผู้มีบาปก็เรียกว่าแปลว่ามารผู้ลามมกก็คือแปลว่ามันไม่ดี ฉันใดราคะเป็นต้นก็เหมือนกันเนื่องจากว่าราคะโทสะโมหะบาปอากุโสธรรมทั้งหลายชื่อว่าเป็นบาปเพราะสร้างขอให้เพราะทําลายประโยชน์สร้างแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ราคะโทสะโมหะเหล่านั้นที่ทําลายประโยชน์สร้างความเสียหายพระพุทธเจ้าละได้หมดแล้วพระองค์จึงกําจัดความเสียหายของพระองค์ได้เสร็จสิ้น กำจัดความเสียหายของสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์กำจัดราคะโทสะโมหะละบาปประธรรมออกไปได้พระองค์จึงจัดแจงประโยชน์ให้แก่พระองค์ได้ครบถ้วนจัดแจงประโยชน์ให้สัตว์ตามสมควรแก่การได้รับพันพระองค์จึงมอบประโยชน์ปัจจุบันมอบประโยชน์ต่อต่อไปมอบประโยชน์ชาตินี้มอบประโยชน์ชาติหน้าแล้วก็มอบประโยชน์ผลประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเพราะพระองค์นั้น เป็นผู้ละบาปประทมเพราะบาปประทมเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายประโยชน์ทั้งทําลายประโยชน์โลกนี้ทําลายประโยชน์โลกหน้าเพราะคนที่ลูกแก่อํานาจราคะก็ทําลายประโยชน์ปัจจุบันคนที่ลูกแก่อานาจโทสะก็ทําลายประโยชน์ปัจจุบันคนที่ลูกอานาจต่อโมหะก็ทําลายประโยชน์นั้นคนที่กําจัดราคะโทสะโมหะกําจัดบาปประทมทั้งหลายได้จึงเป็นคนที่จัดแจงประโยชน์ จัดแจงประโยชน์ในปัจจุบันและต่อต่อไปพระองค์จึงจัดแจงประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหาที่สุดหาประมาณนี้ได้แม้แต่คําสอนของพระองค์ก็เช่าเช่นกับตัวแทนของพระองค์หรือเท่ากับตัวของพระองค์คําสอนเหล่านั้นที่เป็นเช่นกับพระองค์ก็ยังจัดแจงประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นพระพระองค์ากาจัดความชั่วช้าเลวร้ายได้สารพัดอย่างแล้วนี่ต่อไปก็บอกว่า ผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละทิ้งไม่ละเวนก็แปลว่าถ้าใครยังมีเชื้อแห่งความดีอยู่บ้างคนนั้นจะไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้าคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าแสดงว่ า, าคือคือถ้าเขาดีจริงะนะเขาก็ต้องนับถือคนดีสิใช่หัหยเพราะพระพุทธเจ้าคือคนที่ดีที่สุดเพราะพระพระอรหันต์ทั้งหลายก็พักดีต่อ พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระโสดาบันพระสกาธาคามีพระนาคามีก็เคารพบูชาพระพุทธเจ้าไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้าคนดีทั้งหลายคนที่ประกอบด้วยกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจเรศคนที่มีอัธยาศัยกําจัดราฆ่ามีอัธยาศัยกําจัดโทสะมีอัธยาศัยกําจัดโมหะบุคคลเหล่านี้ก็เคารพเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าคนที่มีศรัทธาก็ไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้า ขณะใจเข้าใจขณะที่ใจของเรามีศรัทธาใจของเราขณะนั้นไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าพราธมีศรัทธามีศีลมีสุตะคนที่ศึกษาเล่าเรียนคําสอนก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเพราะราลึกถึงคําสอนก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพันธ์พระองค์เนี่ยไม่มีผู้ใดทิ้งพระองค์เลยคนดีนะเน้นพิเศษก็คือคนดีไม่ทิ้งพระองค์แต่คนชั่วพระองค์บอกว่าให้ขอให้มันไกลห่างกันที่สุดเท่ากับห่างได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเองว่า อาเสวนาจภพาลานังเนี่ยนะก็แสดงว่าพระองค์ปฏิบัติเช่นนั้นแหละเนี่ยนะพระองค์ไม่คบคนพานโดยประการทั้งปวงนั้นพระองค์นั้นคบแต่คนดีมีแต่คนดีเนี่ยวเวทลลอมพระองค์เนี่ยนะและขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่เคยละทิ้งบุคคลเหล่านั้นต่อไปอีกบอกว่าพระองค์ไม่มีการไปในภพทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าประการไปในสังสารวัฏการไปสู่ภพสามกเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจดสัตตาวาเก้าพรมกาจัดได้อย่าง เสร็จส้นพระองค์จึงไม่มีการเกิดในภพใหม่แล้วก็สุดท้ายก็คือพระองค์เป็นผู้คู่ควรแก่การสรรเสริญเนี่ยนะเป็นการสรรเสริญพระคุณเท่าที่มีอยู่แล้วก็เป็นจริงเนี่ยนะแล้วก็พระคุณที่พระองค์มีอยู่เช่น พระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้น น, นะพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นมีพระองค์อันประกอบด้วยพระยานและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุดอาทิตย์ธรรมบัวให้บานเป็นต้นอันนั้นก็เป็นพระพุทธคุณซึ่งควรแก่การสักการะชื่นชมและสรรเสริญโทนพรหมในการสรรเสริญได้เป็น เป็นหมื่นบทเนี่ยนะสรนเสริญได้เป็นหมื่นบทพระสารีบทก็สรรเสริญพระพุทธคุณอย่างมากเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีผู้ใดสรรเสริญแล้วจบสิ้นเพราะพระพุทธคุณไม่มีที่สุดแล้วใครจะสรรเสริญสิ่งที่ไม่มีที่สุดให้สุดได้เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าด้วยการสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยกันเนี่ยนะก็ <c ười> ไม่มีไม่มีจบอย่างสมมุติเราเขาบอกว่าคนนะโบราณท่านแต่งไว้อย่างนี้บอกคนหนึ่งคนมีหัวสิบหัว แต่ละหัวมี10บปากแต่ละปากมี10ลิ้นเป็นต้นเนี่ยนะคนเหล่านี้พูดเร็วไม่ทําอะไระชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระพุทธคุณก็ไม่หมดเสียงทั้งเสียงปากทั้งปากตลอดทั้งก็บอกว่าตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันก็ไม่เคยมีใครสรรเสริญพระพุทธคุณจบสิน้นหรือบุคคลที่มีอยู่ตั้งอดีตปัจจุบันชื่นชมสรรเสริญพระพุทธเจ้าจบมาปัจจุบันพระคุณของพระองค์ก็ยังไม่สิน้นพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่การ สรรเสริญถ้าหากว่าอยากจะชมใครแล้วก็ชมแล้วไม่ต้องตามแก้ข่าวในวันหลังก็ต้องชมพระพุทธเจ้าเอาวันนั้นเขาดีวันนี้เขาไม่ดีไปแล้วเป็นต้นไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้ที่ดีตลอดการแล้วก็ดี ตลอดไปเนี่ยนะเมื่อพระองค์ดีตลอดการดีตลอดไปดีด้วยศีลดีด้วยสมาธิดีด้วยปัญญาดีด้วยวิมุตติญาทัศนะดีด้วยอัศเซขธรรมทั้งหลายหรือว่าดีด้วยอรหัตผลดีด้วยวิชาวิมุตติดีด้วยวิชาสามดีด้วยสามัญพจนสดีด้วยอัศเซขธรรมหดีด้วยอภิญญาหดีด้วยกําลังของภาหารเจ็ดหรือว่าจะดีด้วย วิโมก8ก็ตามหรือจะดีด้วยอนุปภาพวิหารสมาบัติ9ดีด้วยทศพลยานสิเป็นต้นนั้นคุณธรรมของพระองค์แต่ละอย่างแต่ละอย่างจึงคู่ควรแก่การสรรเสริญอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าถ้าเราชมพระพุทธเจ้ามากๆแล้วพระองค์จะดีขึ้นใช่ไหมหรือดาด่าพระองค์แล้วพระองค์จะเสื่อมลงใช่ไหมบอกไม่พระองค์ก็เช่นกับพระองค์นั่นแหละ พระพุทธเจ้าก็มีพระคุณอย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เสมอแต่สัตว์เหล่าใดยังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์บูชาสรรเสริญยกย่องพระองค์บุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากทุกเนี่ยนะก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะจะทำให้พ้นจากอบายทุกขติวิบัติเนี่ยนะชนเหล่าใดที่มีจิตเลื่อมใสใน พระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตถ้าไม่อยากถูกเชื่อแบบไก่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าไว้กันลวกันนะ่นะก็จะพ้นไปจากทุกเนี่ยนะด้วย บุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันเจริญครั้งนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราทั้งหลายมีศรัทธาอันมั่นคงเลื่อมสายอย่างไม่หวั่นไหวในพระอริยเจ้าในพระพุทธเจ้าตลอดไปพระโสดาบันทั้งหลายได้รับคุณธรรมเช่นใดขอให้เราทั้งหลายมีส่วนได้รับคุณธรรมเช่นนั้นทุกคนทุกท่านวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้